มีความสุขไม่เหมือนตอนร่างกับฉันเขาที่เป็นคนใหม่คงเป็นผู้ชายในฝันเมื่อบรดความสาคัญ จฉันก็อยากให้เข้าใจแต่มันก็เท่านั้นฉันรู้ว่าสายไปพราว่าถึงยังไงเธอก็คงเลือกเขาฉันคงเป็นได้แค่แฟนเก่าที่ต้องเจียมตัว Love h e